ธรรมชาดกแผ่นที่เจลำดับที่ส4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17กุมภาพันธ์2 5หห้ามีชื่อเรื่องว่าภิกษุณียังมีอยู่หรือไม่ วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าหลวงพ่อมองไปข้างหน้าเห็นญาติโยมพวกเรากคงจะแปลกใจทำไมเป็นชีก็ไม่ใช่ทำไมชุดใส่ชุดเหมือนกระสีชุดพระแต่เป็นผู้หญิง พอในเมืองไทยของเราไม่ค่อยมีมีพวกสัตว์หามหายานพวกกายมหายานแต่พิกษุนีเถระวาดยังไม่ยอมรับกันเถราวาดอย่างพวกเราเนี่ยหลังกาพม่าลาวไทยขเขมเรเถรวาดทางประเทศจีนญี่ปุน่น เกาหลีไต้หวันที่เบ็ดไปทางนู้นนะว่าเป็นฝ่ายมหายานที่นุ่งกางเกงแต่เป็นพุทธศาสนาเหมือนกันนะอืแต่ว่าแนวความคิดตรงพ่อว่าอาจจะแตกต่างกันก็นกคืออไปทางนู้นมันหนาวมาข้างล่างเนี่ยมันไม่หนาวแต่ประเทศอินเดียันเป็นประเทศต้นาศาสนาเป็นประเทศ ตนพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียแต่ในท่าว่าพระสงฆ์ประกาศศาสนามาทางสีลังกาพมา่าแถบนี้แหละแต่ก่อนมีอินโดอินโดด้วยมาเลย์ด้วยแต่ตอนี้ศาสนาอิสลามเข้ามาพุทธศาสนาเลยหลีกไปทางอื่นแต่ก่อนก็เนี่ยแหละบุโลพุทโธนี่แหละบุโลพุทโธนี่ยเป็น โบสถ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปเต็มไปหมดอินโดนีเซียนเป็นเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเข้าไปก่อนโปรโลพุโทโธเห็นโอโ้โหไม่ใช่ธรรมดานะแต่ทีนี้จากนั้นก็หมดไปหมดจากอินโดนีเซียเพราะว่าเกี่ยวกับศาสนาแต่นี้กั พ, พุทธศาสนาก็เลยมาทางศีลังกาพม่าไทย แต่จะหนักแน่นมาทางพม่ากะไทยที่เป็นที่ห น, นักๆที่ยังหนักแน่นอยู่แต่ทางนู้นก็ประกาศพระศาสานาไปทางที่เบตทีนี่ทางที่เบตทางอีนญี่ปุนเกาหลีไต้หวันส่วนปากีสถ า, านเนี่ยปากีสถ า, านนี่ก็อิสลามเข้าไปอย่างที่อะไรที่ เขายิงพระพุทธรูปใหญ่อันนั้นกัอันนั้นกพระพุทธศาสนาก็จเจริญอยู่แถวนี้แต่ศาสนาอิสลามเข้าไปพุทธศาสนาก็เลยลดร้อยไปทั้งอื่นตอนนี้มาพูดเกี่ยวกับการแต่งกายไม่เหมือนกันการแต่งกายนฝ่ายพระเถระวาดเนี่ยต้องใส่ชุดอย่างจีวร อ, อย่างหลวงพ่อน่คล้องคล้องผ้าลพันพันแล้วก็บิบเข้าไป แต่ในนี้ไปทางเหนือไปทางประเทศขึ้นไปทางที่เบต ท, ทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเวียดนามเป็นบางส่วนเวียดนามพม่าตะมุประเทศแลไปประกาศพราศาสนากับพระพุทธศาสน า, กกน า, า, า, สาเหมือนกันนะพุทธทางธรรมบางสังข์เหมือนกันแต่ว่าการสอนก็จะแตกแต่ต่างกันการแต่งชุดก็แตกต่างกันเพราะใส่ชุดกางเกง อย่างพวกเราเห็นพระจีนเนี่ยเนี่ยทําไมพรพุทธศาสนาจึงไม่เหมือนกันก็คือพอไปทางโน้นทางโน้นไปทางคงมันหนาวอย่างที่ว่านั่นนะไอหนาวนี่ก็คงจะเปลี่ยนบาลีเปลี่ยนบาลีใหม่อย่างปฏิสังขายโยหรือว่าอัจฉมายาอภิเจเวกคิตวายัางจีวรังปริภูตังตังยาวาเทวาสีตัสสะอุณสักห้เขาบอกความแปลและความหมายในบาลีบอกว่า การคลองผ้าเนี่ยนุ่งห่มผ้าเนี่ยเพื่อการร้อนการหนาวการเหลือบการยุงการไอคือการคลองผ้าแต่ใ ห, ให้เป็นที่เรียบร้อยไอ้ทางโน้นมันหนาวเท่๋นี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นบาลีใหม่ในพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็คือกานร้อนการหนาวนะถ้าห่มอย่างพระทางมาทางภาคใต้เนี่ย มันกันหนาวไม่ได้แน่มันกีวรพืน้นใหญ่มันลุ่มล่ามนะดังน้นเขาก็เลยคงจะทําให้เป็นกางเกงขึ้นมาหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เด่นตําราที่ไหนหรอกแต่ว่าใช้ชุดต่างกันเอเพราะฉะ น, นั้นก็เลยมีชุดต่างกันแต่พระบาลีในการศึกษาต่างกันไหมก็ต่างกันอีกเหมือนกันคือทางทางดรญี่ปุ่นนะ่ะเขาบอกว่า เขาวิเคราะห์ออกมาแลว้วบอกพุทธศาสนาทางมหาญาณกับทางเถรวาดเนี่ยอันไหนหนักแน่นกว่ากันเขาบอกว่าทางเถรวาดเนี่ยรู้สึกว่าจะสืบเนื่องมากกว่าแต่ทาง ม, มหายานเนี่ยไอ้ท่านับถือตามครูบาอาจารย์สมมุติว่าในยุคนี้สมัยนี้อย่างหลวงตามหาบัวนี่ดังเป็นที่ยอมรับแต่เนี่หลวงตามหาบวัว ท่านอย่าพูดอันนั้นผิดนะอันนั้นไม่ถูกนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยึดตามแต่ยุคนั้นพอยุคใหม่ขึ้นมาอีกครูบาอาจารย์ดังขึ้นมาอีกก็าากเอาตามองค์นั้นตามแนวความคิดเห็นองนั้นแต่ทางเถระวาดเนี่ยใหม่ทั้งเถรวาดองไหนจะดังก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกเนี่ยต้องยึดเป็นหลักไว้อยู่องไหนจะดังก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกเนี่ยยัง เป็นพื้นฐานยึดไว้อยู่คือต้องศึกษาตามพระไตรปิฎกถ้าท่านจะดังท่านจะเด่นท่านก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกเนี่ยยังค ง, งไว้ตามเดิมเพราะฉะนั้นทางดรญี่ปุ่นก็บอกว่าพุทธศาสนาทางเถราวาสเนี่ยรู้สึกว่าจะหนักแน่นกว่าทางฝ่ายมหายานมหายานเนี่ยไปไ ป, ไปตามกระแสพูดง่ายๆ่ายแต่ว่าฝ่เถราวาสของเราเนี่ยยึดในพระไตรปิฎกเป็นหลัก พระสูตรพระวินัยพระ อ, อภิธรรมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับกดและเบียบแต่ทีนี้ทำไมพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่กภิษุกิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้คือพุทธบริษัทสีของเราภิกษุณีเกิดมา ก, ก่อคือพระพุทธเจ้าให้นางโคตเมพระแม่เลี้ยงบวชเป็นท่านแรกบวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก่อน พิกสุนยเขาบวชกันมาเรื่อยๆพิกสุณนมีศินสามร้อยนะสามร้อยกว่าแต่พระพิกษุมีศินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้าว่าศินมากสินน้อยเนี่ยทาไมจึงมีศินมากเป็นผู้หญิงทาไมศินมากผู้ชายทำไมทำไมสินน้อยสัมเนยนี่ยสินสิบสัมมเนรีก็สินสิบสิกขมานาสิกขมานานี่หลวงพ่อไม่มั่นใจ มีศินเท่าไร่แต่พระพิกุลนี่มีอยู่สามแต่พิกษูนี่มีอยู่สองพิกษูนี่มีอยู่พิกษุกับสมมาเนพิกษูนี่ก็คือศินสองร้ยี่สิบเจ็ดสมมาเนนก็คือสินสิบอันนี้พวกเราเห็นแต่พิกุลนี่มีอยู่ศินสามร้อยกว่าแล้วก็สิกขมานาแล้วก็มีสัมมาเนนอีกแต่นี้พอบวชเข้ามาแล้วตัวนี้ก็ ภิกษุสัมมาเนนเอ๋เอก็ไม่ว่ากันพวกเราเห็นแภิกษุณีเนี่ทําไมมีศีลมากเพราะศีลมากภิกษุณีถ้าทําผิดนะพราะพุทธเจ้าก็บัญญัติบัญญัติศีลพอทําผิดมาบัญญัติศีลพอทําผิดมาบัญญัติศีลแออคําว่าศีลมากก็ไม่ใช่อื่นใครเนะี่ยคือคนที่ดื้อนนะั่นแหะเออ ม, มันดื้อด้านพ ร, พระพุทธเจ้าก็บัญญัติศีลห้าไม่ทํา พอมันทำผิดก็มาห้ามไม่ให้ทำแต่เราสรุปแบบง่ายๆก็ว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ดื้อกว่าผู้ชายหลวงพ่อว่านะถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเราจะรู้ได้ว่าโอโ้ไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงมันยัดสินครอบงำฝ่ายผู้หญิงนี่มากกว่าทั้งที่ไม่น่าจะมากแต่สินนี่คืออะไรคือกดระเบียบสินสามร้อยของภิกษุณีแต่นีสมมเนรี่ สมณเณรสมณเณรีนมมนเนี่สมณเณรนี่คือศีลสิบเหมือนกับพระถ้าวัาสมมนสมณเณรบวชเป็นสมณเณรแล้วแบบพออายุครบเพอครบยี่สิบบวชเป็นสิกขมามนาศิกขมามนาในใคล้ายๆว่าเตรียมพร้อมที่จะบวชเป็นพระภิกษุณีถ้าบวชเป็นศิกขมามนาเนี่ยสองปีหรือสี่ปีหลวงพ่อจําไม่ชัดตัวนี้บวชเป็นสิกขมามนาอีกสองปี ไม่ผิดศีลไม่ล่วงและเมิดศีลมีฮิลิโอตตปาอยู่ในศีลของสิกขมานาภิกษุณีก็เห็นว่าเออสิกขมานาคนนี้เป็นผู้มีฮิลิโอต ป, ปะเป็นผู้สำรวมในศีลดีก็ยกยเสนอขึ้นมาฝ่ายภิกษณุณีภิกษุณีก็บวชพอบวชเสร็จแล้วก็เสนอมาฝ่ายพระเอกพระสงฆ์ก็ต้องมาบวช มาบวดร่วมกับพิกษุณีอีกเออคือพิกษุพิชชนีเนี่ยบวชสงสองฝ่ายนะแต่พิกษุสงเนี่ยบวชสงฝ่ายเดียวแต่พิชชนีเนี่ยบวชสงสองฝ่ายบวชทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายพิกษุนีด้วยทั้งฝ่ายพระด้วยอันนี้ก็คือกฎระเบียบของการบวชทางฝ่ายพิกชุนีสิกขมานาเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในกฎระเบียบเลยหลวงละเมิดศีล แม้แต่ข้อเดียวนะแปลว่าให้ไม่ให้บวชเนียแปลว่าตกไปเลยต้องตั้งต้นใหม่อีกแปลว่าล่วงละเมิดสินเหมือนพิษุนีนะไม่ไม่ใช่ธรรมดาเนะแต่ทีนนี้ต่อมาท่นี่พอต่อมาเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าที่ในตำราก็หนูพระไตรปิฎกก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานสามร้อยปีสามร้อยกว่าปีที่พญาต อ, อโศกขึ้น มาในข่าวนั้นก็ยังมิมีภิกษุณีอยู่ทางฝ่ายเทรวาฏพอต่อมาอีกถึงมันเกิดศึกสงครามไม่รู้อะไรต่อมีอะไรอีลงตุงนางกันทั้งหมดเลยก็เลยไม่ให้ผู้หญิงบวชเพราะมันไม่ไ ม, ไม่ปลอดภัยไม่รู้ศาสนาอิสลามและอะไรลักษณะอย่างนั้นนะก็เลยผู้หญิงก็เลยไม่ให้บวชก็เลยภิกษุณีก็เลยหมดโดยปริยายไม่มีภิกษุณีมีแต่พระ ภิกษุกับสัมเนนท่างฝ่ายเถรวาทนะแต่ถ้าทาั้งฝ่ายท า, ทางฝ่ายมหายานเขาก็ยังยึดอย่างเก่าอยู่ยึดฝ่ายภิกษุณีเขาว่าภิกษุณีของเขาเนี่ยยังไม่สูญเชื้อเขาว่างั้นนะก็ยังมีเชื้อเป็นเชื้อเป็นแถวเป็นแนวอยู่ยังไม่ดับ เ, เขาก็เลยบวชกันทั้งฝ่ายเถรวาทเลยกขาบอกว่ายังไม่ยอมรับ ทางฝ่ายพิกษุณีทางนูน้นสิกขมานาและคัสมะเนินทางฝ่ายมหายานที่ว่าพระท่านนุ่งกางเกงเน่ยท่านกล่ากลุ่มของท่านเนี่ยยังไม่สูญเชื้อทางพิกษุนีเลทางฝ่ายพระสงฆ์ของเราทางฝ่ายเราเนี่ยทางฝ่ายเถรวาทเนี่ยบอกว่าสูญแล้วสูญแล้วพิกซุนีสิกขมานาไม่ควรจะมีก็เลยบอกว่าพิกษุสัมมเนิน เอาสมมาณีเข้ามาแทนแต่ตามไม่จริงพิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ก็คือพุทธบริษัทสต่อมาก็พิกจูสมมาณีเอาสมมเณีเข้ามาแทนภิกษุณีทางฝ่ายเทราวะวัตนะพิษุสมมเณีอุบาสกอุบาสิกาแต่เดี๋ยวนี้ก็สัมมาณรก็ล่อยหลอลงไปอีกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่ามีกฎหมายบังคับเด็กทุกวันนี้ก็เลยอย่างกรรมฐานของเราเนี่ยมด ไม่มีสมณีเลยมีแต่พระแต่มีแต่ฝ่ายทางวัดบ้านทางฝ่ายปริยัตเนะี่ยเขาตั้งโรงเรียนขึ้นมาที่รองรับพอจบป .6 แล้วก็เข้าไปบวชเป็นส ม, มเณีแล้วก็บวชเรียนม .1 ม .3 ม .2 ม .3 จนถึงครบพระเขาบวชยังมีส ม, มเณีอยู่แต่ฝ่ายกรรมฐานนี่เราไม่ได้รับเรียนมัธยมเหมือนเขานะเนี่เราก็เลยไม่มีสมณีมาอยู่ในวัด มมเป็นสมณีนก็บสมณีนแก่แล้วไงอายุยี่สิบกว่าเรียกว่าเถ็นแล้วลยไม่ใช่เนรเลเรียกว่าเถนะ็นเท่านั้นนี่แหละความเป็นมาของพุทธศาสนาพวกเราศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานก็คงไม่เคยได้ยินภิกษุภิกตุนีอุบาสกอุบาสิกาเลยทําไมเมืองไทยจึงไม่มีภิกตุนีสมณนตรีหรือสิกขามานานี่หละ ความเป็นมาในพระไตรปิฎกนะอนี้หลวงพอ่อหลวงพ่อเองได้ค้นคว้าได้ศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าอ่านมากพอสมควรอยู่นะได้ศึกษาอ่านพอสมควรเรื่องพระไตรปิฎกศนะีลพิกษุนีมีมากพอเพราะไออพิกษุณีดื้อว่างั้นแหละพูดง่ายๆฝ่ายผู้หญิงนี็ดื้อเลยหลวงพอ่ออ่านอ่านได้ฟังเรื่องพระพยยนะิฆนีเลยหลวงพ่อยังนึกขำอยู่ เอีคือแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยบวชไม่มีลูกมนะไปบวชพอไปบวชทีนี่พิกษุนีก็บวชเป็นภิกษุนีต่างฝ่ายพระนี่ก็บวชเป็นพระแต่นี้ก็ไปฉันไปฉันในศาลาสารารวมก็คงเป็นสารารวมกับศรัทธาญาติวงศ์ก็คงมาถวายอาหาร่ะ ทังฝ่ายภิกษุณีก็นั่งอีกกลุ่มนึงทั้งฝ่ายพระก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่งลักษณะอย่างงั้นแหะแต่วันนั้นน่ฝ่ายพระภิกษุเนี่ยก็เป็นพ่อบ้านเนี่ยบวชบวชก็เคยคงจะจุกจุกจู้ที่เคยถือว่าเป็นแม่บ้านตัวเองเก่าแกะมะ่มั้งบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่ตัดขาดแบบนั้นแหละแล้วพ่อเนี่ยก็พอนั่งฉันแล้วก็ภิกษุณีเก็เป็นผู้บริการอถวายน้ำบงังถวายนั้นบงัถนนบงถวายนี่บางอลงตาเลยก็ ขาดน้ำอา้าวขาดน้ำล้างมืออา้าวขาดัมอกขาดนี่พิกจูนีเนี่ยก็คงลำคามนมางั้นได้ไอพวกคลนลำคานด้วยเท่เก็หลวงตาเนี่ก็อยากจะได้น้ำน้ำล้างมื อ, อยังไงก็ไม่รู้พิกจูนีเน่ก็เอาน้ำมากระเ ท, ใ ส, าาเทใส่หัวลงตาแล้วไปเทค้อมใส่หัวลงตาแล้วเอาคอนข้ อ, ก, อก้นกระมังเออทำไม่พูดลำลี่ลำไรนะักทำไมะไ ลักษณะอางนั้นครับเออเท ว, พวเทีพระพุทธเจ้าโอ้ไม่ได้ภิกษุณีเกินไปละ อ, อบัญญัติภิกษุณีใรก็ตามเ อ, อคุกคามภิกษุปรับอวบปลาจิตดตีหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังนึกขำอยู่งั้นยโ อ, อ้โหไม่ใช่ธรรมดาในะยุคนั้นสมัยนั้นเ อ, อเอาน้ําเอาน้ํารดรดหัวยาพ่อเสร็จแล้วยังเคาะก่นกระบวยอีกว่างั้นเอยซ้ำทับอีก ต่อไปอย่าบ่นอย่าว่าจะจุกๆๆจุกจู้จี้จนเกินไปใ น, นมารสนางกันสอบสอบบ่นสอบว่าเลยพ mm ิก hmm. ิตรนี้เขาก็เลยนล่ำข้าญเอาหนามหดหัวยอะไรยังข้อกลงกระมังซ้ำทับอีกคนลไปห mm hmm. <laughs> ลวงพ่อฟังเมืองเลยโอ้โหมงเมรุธรรมดาพระวินัยมีเหตุจีก่อ น, นพระพุทธเจ้าจึงมัญญติวินัยคนละไปเออเมดูสมณเณรนะ ดูแลเรื่องอาหารนะไปฉันที่ไหนนะเพิ่นมากจากอินโดนีเซียเอารับฟอร์ดได้ทีเดียว